ทำของพระพุทธเจ้าแสดงอย่างถูกต้องไม่มีปิดบังลี้รับคือแสดงตามความจริงทุกอย่างไม่ว่าขั้นไหนแห่งําเช่นว่าบาป บ, บุญนรกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นจนกระั้งเข้าถึงเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นความจริงด้วยกันหมดเราจึงหาที่ค้านม่ได้ แต่ทำไมมันจึงเป็นปนัญหาสำหรับพวกเราธรรมะข่านแสดงไว้อย่างเปิดเผยไม่มีอะไรเป็นปัญหาไม่มีอะไรลี้ลับเลยแสดงตามความจริ่มล้น้ว น, นซึ่งความปริ่มนั้นก็มีอยู่แสดงตามความปริ่มที่มีอยู่นั้นล้นล้วนทุกขั้นของความปริ่มแต่สหรพวกเรามันก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้าที่ให้คนตาบอดดูอย่างนั้นผมจะเป็นอย่างนั้น นี่นะอนี่นาะมือคำเห็นแต่ตามไม่เห็นนี่นะใครที่ไหนก็โดนตั้งแต่ทุกข์ทั้งข้างจิตท่านสอนว่าทุกข์เป็นยงไงไม่รู้อยู่แต่มันก็โดนมาจนได้เนี่ยบอกว่าทุกข์ไม่ใช่ของดีก็โดนแต่ทุกข์เพราะสาเหตุมันเดินตามสาเหตุการกาบกลุ่ทุกข์ขึ้นมาเท่าตัวเองท่านั้น ในธรรมคุณท่านแสดงว่าสันทิธิโกนี่ตอนตอนตายขอนต้นทัน่าเอหิปัสิโกโอปะณิโกนี่เป็นหลักสำคัญมากเอหิปัสิโกท่านจงมาดูธรรมของจริงน่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเรียกคนอื่นให้เขามาดูธรรมของจริง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 กายหรือปรากฏขึ้นภายในาจิตใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตของอันใดก็ต่างให้โอพนะธิโกน้อมเข้ามาสู่ภายในาจิตซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญมันจะก่อเรื่องต่างๆให้เกิดมีขึ้นภ า, นายในตนไม่นอกเหนือนไปจากจิตนี้เลยจิต เ, เป็นเรื่องใหญ่โตมากมโนปุพังธรรมาธรรมาเท่ า, า, ท า, า, ทานี้ ก, กรกเกลือนโลกธาตุแล้ว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 ผิดใจให้มีความเฉลียวฉลาดให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งออกมาจากความโง่เขลาของตนเองโดยที่ไม่รู้สึกว่าตนโง่นั่นเรียกว่าอากุศลธรรมมามันเกิดขึ้นที่ใจถ้ากุศลธรรมมาเป็นคือเรื่องของปัญญาพินิจารณาแก้ไขความโง่ของตนที่เรียกว่าอกุศลานั้นให้มันหมดไปจากใจนี้โอปัญญโกเข้ามาที่นี่เรื่องโง่เรืงฉลาดของใครก็ตามให้น้อมเข้ามามันมาน้อมเข้ามา อเอธิปจ ก, ก, กให้ดูที่ตรงนี้บอแห่งเหตุทั้งหลายคือใจแสดงอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดยั้งทำงานอยู่อย่างนั้นยิ่งกว่าเครื่องจกักรเครื่องยนต์เครื่องเขาเปิดเป็นเรื้อเวลาแล้วปิดไปตามการตามเวลาของเขา อันนี้ไม่มีปิดเปิดวันย่างค่าคืนยังลุ่งเปิดจนกรทั่งวันตายไม่มีปิดอืมแล้วก็บ่นว่ามันทุกข์บ่นไปเท่าไหร่นันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่แก้ต้นเหตุที่ควรแก้ซึ่งแก้ได้แล้วทุกระดับไปเป็นลำดับลำดับตามความสามารถอยงความเฉลียวฉลาดหรือความรอบครอบอุบายวิธีต้นที่แก้ไปได้อืม ไม่สอนพระที่อื่นนั่นมันเหมือนกับสอนให้ตะคุกเงาโนนโนนโน่เอาตัวเหตุเป็นสาคัญกิเลสมันเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยระวังนอะไรเป็นตัวเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ความลําบากให้สัตว์โลกทั้งหายลาบากตลอดถึงเป็นผลในเกิดแก่เจ็บตายเป็นผลออกจากกิกเลสซึ่งเป็นเชื้อเป็นตัวเหตุสาคัญมั น, นเกิดขึ้นอย่างไรถ้าไม่เกิดขึ้นจากใจเนี่ย มันอยู่ที่นี่ฉังไม่สอนไปที่อื่นเพราะเวลาพิจารณาก็เอาจริงเอาจังเอาเหตุเอาผลให้รู้ความจริงไปโดยลำหนับและถอดถอนที่เลกประดาเดยลหนับซึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวภ่นั้นก็ถอถอนที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นผู้ปลูกมาตัวเองเป็นผู้สังสมขึ้นมาในขณะที่งงแลลบวาปัญญามาู้เรื่องเหละเวลาถอดถอนด้วยบัย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 เรื่องใหญ่โตอยู่ที่จิตเรื่องเกิดก็คือจิตเออคล้องเคี่ยวอยู่ในวัฏจักสงสารยังไม่รู้ ก, กีป่ประมาณไม่เท่าไหร่เพียงคนคนเดียวเท่นี้มันก็เต็มโลกแล้วแหละสร้สากศกที่เกิดตายเกิดตายเกิดตายแต่เจ้าของน้ำไมได้นะ้ำไม่ถ่วงไม่รู้จักนะักปิดบังตัวเองความจิงของตัวเองที่เป็นมาเท่ายก็ปิดบังความจริงทั้งหมดที่เรลือแต่ความหลอกลวง โ ล, โลเลเลหาความจริงไม่ได้นี่สอนให้แก่ที่นี่พยายามอบรมสติให้ดีทันกับความคิดความปรุงมันปรุงขึ้นที่จิตมันตุกจิตอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติแล้วความกระเพื่อมของจิตตรุงยับออกมาตอนนั้นจะเป็นการลุกสติกปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเรานั่งอยู่กับที่ล้วฟัง เราเฝ้ามันอยู่กับที่ที่ที่ที่จะเกิดขึ้นอย่งเหตุทั้งหลายได้ใจใจเราต้องทราบพอกับเพื่อมตัวามาก็ทราบทราบทราบโดยลําดับเนี่คือจุดหลอกลวงก็หลอกที่นี่จุดที่จะเข้าใจความจริงก็คือจุดนี้เข้าใจด้วยปัญญา แต่ังนั้นก็เอาพิจารณาดูรลมธาตุลงขันให้เห็นจนกระทั่งถึงมันฝังจิตคือมันซึ้งในจิตว่าอาการแต่ละอาการนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นอยงนั้นเราพิจารณาหลายครั้งแลายผลมันหนักซึ้งไปเองข้อ น, นี้ก็ทราบขานั้นก็ทราบขานี้ก็เข้าใจคขานั้นเข้าใจขานนเข้าเ ข, ข้าใจหลายครั้งหลายผลเลยเป็นความทราบซึง้งแน่ใจรูปน่ะางตัวรูป อะไรเป็นรูปเนี่ยรวมทั้งหมดผมก็เป็นรูปขนเล็บพันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นรูปล้วงเข้าไปข้างในอวัยวะภายในทั้งหมดอา้าวที่เป็นด้านวัตถุนี้อันนี้บกกองรูปหรือเรียกว่ากายอา้าวดูนี่เวลาท่องเที่ยวให้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 ภายในภายนอกมันบางๆแค่นั้นแหละไอ้ที่มันหลอกลวงตาโลกหลอกลวงตาท่านตาเราไม่ได้หนาเท่าเวลา น, นเลยคือผิวหนังเนี่เราจะพิจารณาในแง่นึ่งเหล่านี้เป็นการพิจารณาเพื่อจะถอดถอนความหลงของตัวเองทั้งนั้นแล้วเวลาเราพิจารณาทนนี่มันเพลินอีกเหมือนกันเอา้าดูขึ้นไปข้างบนดูลงไปข้างล่างดูไปั้างนอกข้างในภายในรวมตัวของเราเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้ สติตามย้ามันสัตว์เฉพาะไปให้ตามไปตามปัญญาที่ตรองไปตามความรู้ที่ทรู้กับอาการนั้นๆไปโดยลำดับลำดัะจะขึ้นข้างบนลงข้างล่างที่ไหนถูกสัจธรรมทั้งนั้นเรียกว่าเป็นงานตะอย่างเต็มที่ทั้งเรา งานนี้เรียกว่างานหรืองานถอนคิดัยที่อุปทานเข้าไปแทรกแทรงยึดไปถือทุกชิ้นทุกอันภางในร่างกายหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกจึงมีอยู่ทุกแห่งทุกของเพราะอุปทานเป็นสําคัญคำว่าทุกมีทุกแห่งหนอหมายถึงว่าทุกเพราะความยึดถือไปเป็นทุกที่ใจไม่ใช่เป็นทุกเพียงว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นทุกอันนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ ถ้าสาวกก็เป็นได้เพราะขันนี้ตั้งหมุนมันอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังนิสตาอยู่แล้วมันจะต้องแสดงตามกฎข้างหนง้แต่ถ้าหลักจิตผู้พ้นจากกฎอนิจจังทุกขังนิสตานี้มีฐานะที่จะพ้นจากกฎอนิจจังทุกขังนิสตานี้ให้พิจารณาพิจารณาสิ่งที่ว่านี้อย่าให้กระทบกระเทือนตัวเองเพราะความรับผิดชอบขอตัวเองเป็นสําคัญที่จะไม่ให้สิ่งเนี้มากระทบกระเทือนได้นไม่ให้ทุกเกิดขึ้นภายใะพิจารณาไป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 ด้วยเห็นตามความจริงนั้นแล้วก็ท้าทายกันด้วความจริงตัวเองอีกทีนึงด้วยเห็นสิ่งความจริงเหล่านั้นน่ะนักมันเป็นความท้าทายก้นด้วยสติปัญญาตนเองอีกทีหนึงจากความจริงทั้งหลายที่ท้าทายเราอยู่เวลานี้ถูกทั้งสองเงื่อนคือเงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลายไม่ว่าป่าลูกเบชนาปัญญาและสารปัญญาเป็นความจริงเป็นของมีอยู่ท้าทายอยู่ด้วยความมีอยู่ทั้งสมงนะแล้วปัญญาก็ยังให้ทราบตามความจริงของเขา ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจเป็นการท้าทายความจริงขึ้นมาภายในจิตใจนั่นตนี้เป็นการถอนถอนที่เหล็กเงินเป็นหนังนี่เราความจริงกับความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เป็นไถ่ถอนถอนพิภัยทั้งหลายออกได้เดยลำดับห น, นึตอนที่พิจาญนาเดินกรรมฐานเนี่ยเที่ยวกรรมฐานท่านที่ว่าน เทียวไปกลางมวายรัน้อยใหญ่ต้องไปกองไปออกนั้นแล้วก็เอากรรมฐานนี้มันสลายแปลสภาพเป็นยังไงเอากําหนดลงไปมันจะเปืดยจะถูกจะทํากําหนดลงไปกําหนดลงไปมันกองลงไปมีเป็นอย่างนั้นเคยกําหนดอย่างนั้นแท้ๆเฮ้ยเอากำหนดลงไปกําหนดลงไปหรือเราจัดในอาการไหนสมมติเราจะกําหนดให้มันเห็นชาติภายในจิต เราจะจับอาการใดก็ตามให้จับอาการนั้นไว้ให้แน่ให้เป็นความรู้ปรากฏให้เป็นภาพนั้นปรากฏอยู่ภายในจิตของเราสติจับหรือจดจ้องอยู่ที่จุดนั้นอา้าวภาพอันนั้นมันจะปรากฏสูงต่ำไปไหนก็ตามเราอยา่าไปคาดหมายความสูงความต่ำสถานที่ของเต้าหมายที่เรากำลังพิจารณานั้น ให้ให้เราถือเอาเป้าหมายนั้นเป็นจุดสําคัญของความรู้ที่ติดแนวกันอยู่นั้นด้วยสติเป็นผู้ควบคุม อ, อาการนี้มันจะขยายตัวมากน้อยก็ให้ให้มันเห็นประจักษ์ในปัจจุบันจะสูงจะต่ําก็ให้มันรู้อยู่นั้นเราจะไปคาดว่าวนี่สูงเกินไปนี่ต่ําเกินไปนี่นอกจากกายไปแล้วที่แรกเราเนึกว่าเราพิจารณาอยู่ภายในกายอาการนี้อยู่ภายในกายทําไมมันจึงกลายเป็นนอกกายเราจะไปคิดอย่างนั้น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 จิตก็รู้ทํางานปัญญาก็กรองตามนั้นถ้าเดี๋ยวมันก็ค่อยกระจายลงไปกระจายนีหมาเข้ามามันมันปื่อยมันพังลงไปพังไปอันนั้นก็พังอันนี้ก็พังเออดูมันทัดเจลงไปเราไม่ต้องกลัวตายเออเรากลัวอะไรเราดูความจริงไม่ใช่ดูว่าเราจะตายดีนะดูอา่าสลายลงไปสลายลงไปนี่เคยพิจนารณาอย่างนั้น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 แต่ลงไปเรื่อยลงไปส่วนน้ Something ําก็ซื้อลงไปนี่หมายถึงว่ามันเห็นประจังนะซื้อลงไปในดินบ้างเป็นไอขึ้นอากาศบ้างแล้วเวลาน้ามันตากฏเป็นซึมซาบลงไปใต้เป็นไปในดินและออกเป็นอากาศในหมุนแล้วมันก็แห้งเอาไว้ว่าตัวนี้แห้งแห้งคัดกรอกคัากรอก็แห้งเข้าไปแห้งไปเลยกลายเป็นดินไปดินกับอันนี้เลยเหมือนก็กลมคืนไปอันเดียวกันไปมีเห็นชาตาส่วนที่แข็งกระดูก กำหนดโดยลําดับอย่างหนึ่งกำหนดไฟเผาก็มีอย่างหนึ่งค่ะมันค่อยมันค่อยอ่ผุพังลงไปกระจายไปกระจายไปจนดับคืนกันเข้าไ ป, ไปเป็นเดียวกันกับดินเห็นช <c oughs> ัดเที่ชัดที่สุดเกี่ยวกับารพิจารณา น, นี่ก็คือธาตุดินกับธาตุน้ําแล้วสิ่งที่ติดใจซึ่งซึ่งภารยใจก็คือธาตุดินส่วนน้ำก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นอารมณ์ไฟก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ ไม่เป็นข้อหนักแน่นทังหักการพิจารณาและไม้เป็นสิ่งที่จะซึ้งพายนจิตใจเหมือนอย่าพิจารณาร่างกายส่วนรูปเพราะพอนี้มันกระจายไประการไ ป, ไปกลายไปเป็นดินหมดพอกลายเป็นดินหมดทีนี้จิตมันก็เวิ้งว้างทีนี้แล้วว่างไปหมด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 บางครั้งไม่เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นของมันเองโดยหลักธรรมชาติพอกายลงไปอย่างนั้นดินลงไปอย่างนั้นหมดแล้วบางทีเึ่นเช่นอย่างมันดินกระดูกมันค่อยแห้งมันมันค่อยผุพังลงไปผุพงไปยังไม่หมดแต่อันหนึ่งมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจว่าที่มันยังไม่หมดนี้มันก็จะต้องเป็นดินเช่นเดียวกันอันนี้ มันมีความปรุงมันขึ้นภายในจิตทั้งๆที่ในขณะนั้นไม่มีกายเลยในความรู้สึกมันมีความปรุงขึ้นอย่างนั้นทั้งเดี๋ยวไม่ทราบแผนดินมาจากไหนมันทับเดี๋ยวมาทับไอ้ที่ยังผุพังไม่หมดกลายเป็นดินไป็นด้วยกันเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วจิตไม่ทราบเป็นอะไรมันมันกลับมันอีกอันหนึ่งเป็นขนาด มันพับเรื่องอิฐนี่ยเลยหมดแผ่นดินก็ไม่มีนะัางท่านที่แผ่นดินมันมันไหลมาทับมันอย่างรวดเร็ว๊บมาทับกระดูกกองกระดูกของเราที่ยังกระจายไม่หมดละลายไม่หมดอะไรมาเป็นดินอันหนึ่งมันก็รู้ขึ้นมาทับหรือว่าทุกสิงทุกยางมันก็เป็นดินหมดในร่างกายนี่ที่มันลงไปก็เป็นไปดินหมดพาวางกันจิตมันพับเข้ามาอีกมันมัน ที่ขณะของมันอะไรไม่สราบไรดินก็หายอะไรไ้าหายหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆล่งไปหมดเก <c oughs> ิดความวัฏจักจรขึ้นมาอย่างพูดไม่ถูกซึ่งการพิจารณาเช่นั้นเราก็ไม่เคยเป็ดนั้นก็เป็นขึ้นมาอย่างทัาเตี้ยอะไรอยู่นั่นใช่คืออยู่อันเดียวเท่านั้นนะจะมีขณะใ ด, ดขณะหนึ่งของจิตว่าเป็นสองมันมีขึ้นมาไม่ได้ เพราะมันตายตัวด้วยความเป็นหนึ่งแท้ๆจริงพอขยับขีดขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นสองกับความปรุงทอที่มันไม่มีความปรุงไม่มีคืงเหมือนแต่ความรู้ที่สักต่วารู้และเป็นของอาจารย์อยู่ในความที่สักแทวารู้นั้นคือมันเบิมวางไปหมดเลยโลกธาตุนี้ต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่มีแต่ว่ามันเป็นอากาศทั้งหมด ผู้นั้นมันก็ไม่สําคัญว่าเป็นอากาศอื่นเหมือนกันมันมีอยู่ความรู้นั้นเท่านั้นเนี่ยพูดได้เท่านี้โหเป็นช่วโมงชอโมงที่นะ่นพอจิตถอนออกมาจากนั้นแล้วแม้แต่เราจะกำหนดดูอะไรมันมันเลยเบิ่งว่างไปอีกเหมือนกันฮนี่เป็นอย่างอันนี้มันอาจเป็นได้คนลักครั้งเท่ า, านั้นอันนี้ก็เคยเป็นได้ครั้งเดียว ไม่เคยซ้ําอีกเลยส่วนการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะเฉพาะนี่มันเป็นได้ตามความํนานาญของจิตเป็นได้จน ม, มาทั้งว่าเป็นได้ทุกครั้งหนัเพราะมันชำนาญมันเป็นได้ทุกครั้งที่เราพิจารณานี่ให้เห็นชัดความแปรสภาพให้เห็นว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นลงไฟอย่างชัดๆอยู่นี่ทุกเวลาที่เราพิจารณา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 สภาพอันนี้เท่านั้นมันก็พูดได้อืเมื่อจิตมันพอตัวแล้วมันถอนตัวออกมามันไม่มีอะไรเป็นปัญหาเราจะมาเขาเป็นอะไรเขาก็มีปัญหามันเป็นปัญหาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้ปัญหาของเหล่านี้ออกจากความลุ่มหลงความรักใคร่หน้าหมายต่างๆให้เข้าสู่ความจริงของตนคือรู้ล้นล้วนอันนั้นก็ธาตุล้นล้วนถ้าว่าเราแยกไประเด็นร่างกายจากธาตุล้นล้วนเนี่ยแยกขมาจิตย้อนขมาจิต ก็จิตล้วนล้วนทั้งสองล้นล้วนนี่เข้าไปก็เป็นความจริงล้วนล้วนนานอ่าที่นี่เมื่อเราทรอย่างนี้เอเวทนาจะเกิดขึ้นก็เกิดเออจะว่างน้งมันก็เป็นชาต์อันหนึ่ง ห, หรือเป็นสภาวะทรรมอันหนึ่งเช่นเดียวกับร่างกายนี้มันนิ่งถึงกันดังนั้นฐานาความหมายพอปรุงยับ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 อ้าวเมื่อหมดความมุงหมายในธาตุสีดนน้ำลมไฟนี่แล้วหมดความงหมายในเวทนาสัญญาสัญขันญาอันเป็นอันเกี่ยวกับขันห้านี่แล้วก็เข้ามาพิจารณาความมุงหมายของจิตมันยังไมีอีกมันความมุงหมายตามขั้นของกิเลสที่มันละเอียดอันนี้เราบอกเป็นความละเอียดของกิเลสเป็นความงุงหมายละเอียดของกิตฮะพลลงมาพิจารณาลงมาอีก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 แยกแค่ให้มันเห็นตามความจริงมาแล้วยกจิตนี้ขึ้นมาเป็นตัวนักโทษทีเดียวฟาดฟันหั่นแหลกลงในตัวนักโทษเนี่ยนี่แล้วนักโทษมันเก็บโทกเข้ามารวไมไในตัวนี้หมดถือว่าตัวนี้เป็นตัวเก่งตัวรู้ตัวฉ ล, ลาดถึงนั้นถึงนี้รู้ไปหมดแล้วโลกทานนี้รู้เพียงกินรถเครื่องสมัมผัสรู้หมดะรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในร่างกายที่เป็นขันธ์นี้มันรู้หมดแต่ไม่ยอมรู้ตัวเองนั่นสินี่มัน ม, มาติดตรงนี้มันมาโง่ตรงนี้ ความถึงย้อนปัญญาเราเข้าแทรกเข้ามาภายในนี้อีกผ่าด้วยทะลุเข้าไปนี้แทงเข้าไปตรงนั้นเข้าไปหาความรู้นั้นอืความรู้ที่มันมันว่ามันเก่งๆนั้นน่ะนั่นแหละคือตัวงมงายของมันเหมือนอะไรความรู้อันนี้เลยยกขึ้นมาเป็นนักโทษมันก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่งอ้าวคิดจะคิดหายไปเพราะการพิจนารณาเนี้ยอ้าวให้คิดหายไป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 ลงไปจริงแล้วไอ้สิ่งที่มันควรศูญย่างไงมันก็อยู่ไม่ได้มันสูนญสิ่งที่มันธรรมชาติที่มันศูญไม่ได้เนี่ยทํำยังไงมันก็สูญไม่ได้นะคือจิตจะสูญไปไหนนั่นแหละผู้ที่ถูกขิเลตครอบงําอยู่นี่ก็คือจิตปัญญาฟาดฟันที่เดลตแหลกลงไปหมดจากจิตแล้วจิตอันนี้มันก็สูนญไปไม่ได้เล่กลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาผู้นี้แหละคือผู้บริสุท จะอะไรไปสูงเฮ้สูงแล้วจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรนั่นตายนั่นตานี้ตายอันนี้เป็นอมตะถึงอมตะด้วยความมรสุทไม่ใช่ออมตะที่พิ้งไปตามวัตตะวัตววตะวนทัหลายนะ น, นั่นก็เดียวมันไม่ตายแต่มันกิ้งไปอยู่งั้ น, นออมตะอันนี้ไม่ตายด้วยไม่กลิ้งด้วยเป็นวิวัตต์คือไม่ตายแต่ไม่หมุนนี่ตัวจลิ้งอยู่ภายใน ในขั้าการขันท่าของเราอันนี้แลตัวสําคัญเจ้าทดุอ ย, ยกากอรควรมันเข้าไปกุ้มกุ้มรูมจิตเนี่ยให้จิตหลงประจันรูปตามธาตุาตามขันตามทุกขเวทนาต่างๆความเจ็บไข้ดขได้ป่วยวุ่นวายไปหมดมเขาไม่ได้ว่าอะไรนี่ร่างกายเมีอะไรมันก็มีอย่างนั้นเวทนามันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามเนื้อของมันมันไม่ทราบ ม, มันเป็นเวทนาไม่ทราบ ม, มันเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นเฉยๆอะไรเลย ก็จิดนี่เป็นผู้ไปให้ความหมายแล้วจิตก็เป็นหลงความหมายตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเกิดโทษจากตัวเองเพีางนั้นท่านจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้มันเห็นตามความจริงของมันนี้แล้วอะไรจะทิพไห้เราจะถักขาดทุนเพราะอะไรร่างกายแตกก็แตกไปสีก็อ น, นิจจังทุกขลักตาท่านก็ บ, บอกไว้แล้วว่ามันครอบโลกธาตุจะไม่ครอบขันยังไงอืมสายรากมันครอบโลกธาตุแล้วทำไมจะไม่ครอบขันเราไ่้นี้เมือ่อมันเป็นไปตามกฎอนิจจังทุกขลักตามัน มันจะขัดขวางมันได้อย่างไรอพยมันไปเอออะไรไม่ทนอ้าวแตกายเออมันมีแต่สิ่งที่แตกแต่สิ่งที่จลายทั้งนั้นอยู่ในโลกธาตุนี่เป็นไปเพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันมีเท่านั้นแล้วขันของเรามันจะทนไปได้อย่างไรมันก็อยู่ในกรอบอันเดียวกันอ้าวพี่นะให้ผมตามความจริงไว้ก่อนที่ยังไม่แตกนี่เป็นความรอบคอบของจใจของปัญญาหนุนคาดอ้าวถึงเวลา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 เราไม่ทำเพื่อความผุกหมายจากโวมเราเราทำเพื่อชัยชนะก็รู้ตามสัตว์ตามส่ว น, นองจริงที่มีอยู่ที่เป็นไปที่เป็นอยู่รค่ว่าภายใจิตใจเท่านั้นแล้วว่าพ้นก็น ไ, ได้จากสิ่งนั้ น, น, ถ น, น, น, นถึงว่เ า, าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่แหละถ้าหนาเป็นมงคลคือนิบานณัชัดอจิปิยาเอตัมมังไพรมุตตมังนี่แหละการทําพันิพาณให้แจ้งทําอย่างนี้แหละ นิพยานถูกปิดบงังคือจิตนั่นอะถูกปิดบังเมื่อที่เหลือสถา อ, อาวิชชามันปิดบงังมันไม่แจ้งจึงแก้ไขาทางด้วยวิถีนี้คือพิจารณาแยกแยะเห็นตามความจริงเป็นการเปิดสิ่งที่ทปิดบังทั้งหลายออกที่เรียกว่าทำพันิผยานให้แจ้งห้แจ้งชัดทางให้ติดใเมื่อแจ้งชัดทั้งหมดแล้วก็เอตัมมังคารมุตัมมังเป็นมงคลอันสูงสุดนัอะไรจะสูงสุดกิ่กว่า ให้บาล ศ, ศะะาสาศัตจะสัจิกิยาอันนี้เป็นสูงสุดนอกจากกับพุทธรรโลกธร ร, ร, กรรมนิาจาิตันยศากรมปติอโซกังเลยเลยังเท่มังเอตมังขนุตมังฮะจิตนี้อะไรมาสัมผัสก็ตามว่ามีความดันท่านพิงเหมือนพิงทั้งหลายอะไร้็มันก็แตะต้องมันนะมันเข้าไม่ได้เพร า, ม, ามันสึกรเลเตมังขนป็นจิต ท, ที่เขาเตม เอตัมมังคารมุตมะมังนี้พอดีฮะอยู่ที่นี่นะเนี่ยที่ท่านกล่าวมงคลสองข้อที่กล่าววันนี้อยู่ที่ใจนี่นะไมอยู่ที่ไหนตัวนี้แหละเป็นตัวมงคลแล้วเป็นอัปมงคลก็อยู่ในชาเทียวกันนี้น่ะแล้วเวลานี้เราแก้อัปมงคล น, นั้นออกเพราะมันมีอยู่ปิดใจของเราอยู่ให้เป็นมงคลขึ้นมานี่บาลสัจจกิริยาเอาแก้เปิดเผยลงไปอืม ตะโพตะโพจะประมาณจะเรียกอรจ๊ะอริ ย, ร ย, รยสัจานะสนั่นี่ตะโพคือความแผดเผากิเลสกิเลส เ, เป็นของน้อนเผาจิตเท่เาใจเราตาปะธรรมคือสติปัญญาเป็นของน้อนสำหรับกิเลสเผากิเลสลงไปนั่นวางไงอริยสัจานะสนัคือรู้เห็นอริยสัจทุกตัรู้เต็นเป็นจิตสมุทัยกัณฑ์ได้เต็มใจ มรรคก็บำเพ็ญในเต็มภูมิของมหาสติมหาปัญญาไงใช่ป่ะไงนิโรธก็แสดงเต็มที่นั่นแหละสัจธรรมถ้าว่าเห็นสัจธรรมตัตงอย่างนั้ น, นผู้เห็นผู้รู้สัจธรรมโดยสมบูรณ์นั่นแหละคือคือผู้ทําบริการให้แจ้งแล้วผู้ไม่บันไดเท่ากับทำทั้งทั้งหลายคือจิตนี่แหละหอยู่ที่นี่นี่นะเอาสาระสาคัญนี้ให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญ ส่วนร่างกายอะไรๆในขั้นพังก็ยังว่ายังที่เราเห็นได้พิจารณาแล้วขอให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสํำคัญอะไรจะขาดจะขาดจะเธอโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ดูแล้วมันเป็นมาแต่นันแต่ไลเราก็เคยเป็นมาแล้วกี่กับงกี่การแต่เกิดตายเกิดตายนี่เทาวนี้มันก็เดินตามทางหลวงที่มันเคยเดินทําหลวงทําทางหลว ง, ง, ง, ลวงคือทางคติธรรมราของมันใครห้ามไม่ได้มันเดินมาตามเราก็รู้ตามความจริงของมัน ก็งงเป็นความจริงนของดับเอตัมมังทามุตัมมังที่ตัว น, นี้หละัะการแสดงคำก็เห็นว่าต้องเว๋